เอาการ ส, สบายนะเอาข้า ส, สบายสุดๆต เ, ท, เออท้าวัชพัก็ได้นะยืดกมันเองได้ น, นะเอาการปฏิบัติกรรมฐานวันนี้นะเป็นปกติเราจะตั้งใจะจะนั่นั่เรืมม่องมโนมาินาั่นัะว่าควจะทำอยานไรในการติดมโนมายุทธิ ถ้าต้อการอยากจะตืต่ถ้าเวลานี้เร า, าทำไงทำไงนอนอเออออกดูไวเ อ, เอวลาคนละสิ่งนี่นะอออือ่นไปตายไปต า, าก็ได้เตลึกๆมันก็ตืนนะ จะขอเปื่อยเปล่าอย่างไรตกมาเาติมแม่การปฏิบัติแบบ น, นอนไม่ยุบตืเนี่ยเป็นหนึ่งที่เธตั้งให้ความสาคัญแต่บกว่าอีบอนว่บ อ, อย่ังมีห้าประการที่บาอาจารย์ก็บอกกันมานเลยแล้วว่าหนึ่งเธอจะตัง้งให้มีตึกยืนดูในเรื่องเปลี่ยนจุดสัมั ตดยเรื่องแมาจาก็จะได้มีปิตุโกรธจะบาตรจางล้างจองผ่านใครตาม ก, ากหห็นนะจะต้องได้งนนอหงอหอนา น, านคือมันจยากในวันนี้ตัวจะต้องไม่ทรงทราบหมายถึงงมาตรงนะจางมาติดติถ้าปยญญาลังเลสงสัยในคนที่จริงที่เรากำลังตั้งใจปฏิบัติ ม, มีคนทิ่นหน้าตาสางสัยไหม คิอ่าหน้าตาสงสัยจะจไม่เหลือสักข้อเอาไหมเอานี้เดินตาดูพระไว้ฝึกกันง่ายๆนถ้าหลับตาแล้วมันจะหลับล้วกับเดินตาดูประถ้าคิดว่าหลับตาไม่หลับตาแล้วใจไม่หลับร่างกายไม่เคลือไม่งับหลักกาลงไปนึกถ้าพระพาแล้วก็หลับตาไปนึกนอนขึ้นนะนอนพระเจ้าของนอนหลวงปู่หลวพ่อนอนวันเนีย แล้วพระเจ้าจ่ายให้ครนี้นอนให้ถึงใจพระพุทธองค์อย่ามองเพียงแค่ผิวเหลืองเป็นทองอย่ามองเพียงแคุ่ทธลักษณะที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้นแต่น้อยถึงว่านี่คือสิ่งที่แทนใจของพระองค์เราจะเข้าไปถึงใจพระเราไม่ได้มาแค่เสก ข, ของพระ ห, หม่ยว่าตัณใจนองอย่างนั้นนะการที่เราปฏิบัติสิ่งนี้ที่เราต้องรู้สิ่งนี้คือว่าครูบาอาจารย์ เราก็ต้องภารนาคาถาฉบับหนึ่งให้ถึงราอาจารย์ให้ถึงกาลังบรารมีของพระพุทธเจ้าปุติกำาัาร ม, าามุท้พระอาห า, า, าระคันกโมทชัายะขอบารมีของพระพุทรเจ้ามาของพุทธเจ้ายตรวจประชานคอบคกายองข้าของพระพุทธเจ้า ควบคุมจิของข้าพระเจ้าให้เหปิเตั้งมั่นอยู่ทกขณะจิตและกำลังจิตของข้าพระพุเจ้ามีการดดเดี่ยวเข้มแข็งแลก้าหาญมีกาลังปัญญาเป็นเครื่องเล่แจ้งแทงตลอดตัสล็เป็นสมุทเยจประหารตัวอย่างง่าดายแการระบาดแบนี้โด้เห็นเอสุสัมมาสัรรัชสะาตารังสุขโ ต, ขตนะัโมพุายะ เอปิอสัมมรราสัมพุทธัสสะพระรหังสุขะโตนะโมพุทธายะปอกิตสัมมาสัมพุทธัสสะพระรหังสุกะโตนะโมพุทธายะนัะ่ธธรระะตกันได้สิงคาการที่เรามองไปที่พระพุทธรูปองได้องเหมือนเนี่ย ที่มองไปที่พระองค์แท้นะมองเนี่ยจริงแค่ดนสื่อให้ใจเราได้ถึงท่านได้ถึงพระพุ้เเจ้าที่ทรงมีน้ำพระทยัยเมตตาต่อเราต่อทุกๆคนทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวาขงหาประมาณไม่ได้เราก็เป็นผู้นหนึ่งที่ได้รับน้ำพระทยัยพระเมตตาจากพระองค์มองโดยตัวเราอยู่ พระอริสพุทธเจ้าดูเราอยู่ดูว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านก็ดูเราอยู่มีหลวงปูตาหลวมปู่นโคหพระอจ้คุณหลวพ่อพระเจ้าพรมรายาและพระอริยะสาวกทั้งหลายคพนเจรากําลังจ้งงองมองดูเราอยู่ดูว่าใจของเราจะทำอย่างไรท่านมองดูเราเราก็มองดูท่าน ท่านเห็นเราท่านไม่ได้เห็นชิ้กายคือ ท, ท่านไม่ได้มองชิ้นหนัง ห, อห่อหุ้มบางๆหนังบางๆนี่นที่จะของตกตเ ก, ก็บภายนอกเกคร็ะขลลอกหนันงบางๆออกไปนั้นก็จะไป เ, เจอหนังเนื่อในที่มันตปนน้ำเหลืองและเป็นทับกระป๋ายภายในมันก็จะเกิดเป็นเลือดป็นออกมาตามผิวหนังเงื่อใน ถ้าท่าทจังนายท่า น, า น, านมงองเอ้ถึงห่อขี้อันนี้ที่เคยกาลังมอยู่เราก็เหมือนใจเราก็ไม่ได้มองไปที่เปลือกภายนอกที่เป็นเพียงแค่วัตถุอย่างนี้เราก็มองให้เห็ใจท่านท่านกําลังเห็นใจเราท่านดูตาเราท่านระ่ด้กกดูขี้โยกของเราไม่ไดูอของสกปรกโสโครกบาทกันตานียมากไหมไม่ได้ดูกระโดดกระเดี้ยวอะไรที่ผป็ชิ้นเป็นส่วนเป็นท่านแบบนี้ ท่านมริสุทใจโดยสิ่น no ี้จะได้เฉลยานงดงานภายหน้เพียงใดท่านก็เหมอนเป็นของตกตะกโสโครกเป็นแค่ธาทั้งสูงเขามาประชุมกันเท่านั้นเดี๋ยวให้ช้ามันก็เป็นแตกเป็นไหลเดยเป็นชิ้นเปส่วนเป็นทอดหดตึ้ไปถ้าเหมือนใจของเธอเท่านั้แหละใเธอจะไมขาวใจของเธอจะไม่ใสใจของเธอสีอะไร อรมณตน ใ, ในสสว่างไหมท่านจะดูตรงนี้จเราเห็นวเราไหมเราจะไม่เห็นตัวเราแต่ตอนนี้เราเห็นชื่อภาพพระพุทโรูปองคใดตรนี้ตรงนี้แล้วก็มาว่าพระุทโรก็เป็นวัตถุภาพยานีที่ถูกสร้างขึ้นมาแหะมีพุทธเจสมวจงานติดดั ง, งในสิ่งต่างๆที่เป็นของไม่น่าดลไม่น่ารัก ด, ว, ดวยการจริด แผ่นทองคำลงไปเป็นโดยวัฒนธรโดยสรีนามโดยรัชช์เชื่อมใจของเราอาจจะตกต่างกายของเราว่ากายเราเป็นแ่หนังบางๆไล่ห์สุดๆงเลียสื่อสัฒนธรรมทให้เกิดผลด้วยการเช่อมใจแต่นังท <alles S 1> <Motorola, S 2> ั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่เปราะเปลือนสกปรกโสโคกตปต่ตายเนอผลเป็นผงป่าท้ามองโดยใจที่หนียวรก็เห็นสิ่งนี้เหมือนก็กองขยะกองขี้ กองปรกตบกองหนึ่งตั้งอยู่ทางด้านตั้งอยู่ตรงนี้ทุกคนก็เป็นส่วนเท่าหนึ่แต่ของทุกรูปนป้นถือทัทงสร้างโรงวยวัตถุธาตที่เป็นของฉันของเรามีทั้งของแข็งมีทั้งของเหลวม่ทั้งอากาศน้เป็นน้ํา ล, ลงไปมราประจุรวมกันพน้ำมันมากมันก็เ ย, ย็นพน้ําน้อยมันก็ร้อน จาร้อนมากมันก็ทำให้ร่างกายของเราพังง่ายร้ํามากมากร่างกายก็พังง่ายอากาศมากมากร่างกายก็ตายอากาศน้อยร่างกายก็ตายขึ้นชื่อว่าทุกอย่างถ้าอาหารน้อยร่างกายก็ตายอาหารมากร่างกายก็ตายปัญหาความผบรดียากมากมันคือการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระพุทธเจของพระพุทธศาสนาสั่งพระพุทธเจ้ที่บานึกถึง ลักษณะอย่างไรถึง จ, จะมีการจารเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่าา ก, ก็เปลี่ยนไพ่ช้าผิวที่เป็นผิวทองคำอลางก็จะต้องเศ่้าหมองวเหมือนไปผิวทองก็มงสุดๆก่อนออกไปเลยตรงนั้น่อยทห้เราได้เห็ น, น, นแล้วคที่เราไเห็นเราจะค่อยๆไปตามสภาพของสิ่งที่เป็นธรรมชาตินนจนหยุดยลื่อยพังลงไปค่อยๆพังลงไป จะช้าหรืออะไรก็มีราคาเท่ากันคือต้องทํงสลายเป็นหมดเหมือนกันแต่ว่าดวงพระพระอุทัยพระองค์เพื่อระจังใจรมศาสตานนั้นไม่ทําไม่สลายแล้วพระจาพ่อพระยายังคงที่ควายังรับอัปัญญาตัวเราได้เาว่าตอแล้วที่เราหยุดเจียให้กันเป็นอภปัญญ า, าเราก็มูควา ร, รักมีควาราตพระองค์ด้วยใจ ใจเชื่อรู้คุณงามตามดีอของพระองค์ใจเช้่ว่าพระพุทธเจ้าก่อที่พระพุทธเจ้าจะนำคำสั่งสอนมสสามมนสู่เราคําต่ละคำที่พระพุทธเจ้าจัดเป็นสงที่อุบัตเิเกิดขนะึ้นในฝัยากเย็นเสียใจจงนะเ่อปมาเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่สา ร, รอารเาส่วเก่้อเด บาคุณครจะรู้สูตรจบบาคนโครจะได้ผ่าอผ่านตารงที่ตารทางบาจะได้เป็นครูาอาการยจะได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานในวงนั้นในนี้เขาอาจะพูดให้เราได้ฟังต่อเราตั้งแต่กอไข่ขอข่าอขวดมานี่เขาต้องเสียเวลามากมายเพีงใไอ้องมน้อยนะเพราะจะเกิดเชือกับปานเพียงเขาองเพื่อพระองคสลับดูโสบพาคมาครั้งยามเพิ่บาลานอยู่ เชกันไม่ได้เพราะพระเจ้าอาความทุกข์ของพระองค์เข้าแรกเอาความเจ็บปวดทนรับของพระองค์เข้าแรกเอาฟวาสูงเสียที่พระองค์เนต้องสูญเสียบุคคลที่เปนรเข้าแรกแลวก็แลกกันตรงนี้ให้ครัทงเกี่ยงหลายครั้งต่อหลายครั้งเพื่อเพียงแค่พบทางแความทุกขทุกข์ที่นันมาเต๋อเราและก็บอกเรืองนั้นต่อเรา จนเราได้ยินได้ฟังจากพระสงค์องค์เจ้าทั้งหลายที่กเลังเจตรักษาพระธรรมค า, าสั่งอสอนไว้ของพระไตรปิฎกและก็ปฏิบัตบบิเกณฑ์กันมาจนมีพออระอารยสาวกไม่ขาดสายจ น, นถึงปัจจุบันนี้แล้วพระไตรมิบาลีที่เราเจอจากเราเนี่ยเราอาศัยไปถิ่นใจท่านนะเราเห็นที่ท่านเนี่ยไมไ่เห็นแค่ภาพถ่ายนอกที่เราเห็นก็เราเปนี้ดนึง นิ่ึเข้สที่เรานิถึงเพื่อจะได้ไปถึงใจของผู้นั้นไม่ใจับภาพนิยึเอาไว้นันก็เป็นเพลิงเป็นประดาเพราะเราก็จัดอยู่อย่างนั้นไม่มีความรู้สึกด้วยฝาอะไรเลยไม่รู้สที่ปรบศนา ว, นาวนาสัสถเราคือความรู้สึกที่มันปกปิดโยงใจสบายใจนั่แสดง ว, ว่าเรายางไม่ถึงพระแต่ถ้าในใจของเรานิยึถึงภาพพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ที่แต่ละขนาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพี่งเราะเขาทำแล้วเอากระพริบารตาวัตถุกระทบเขาเ้าไปในใจตนใจดีใจว่าเวลานี้ได้มีพระอยู่ใกล้เราเห็นพระทุกรูปต่ง น, นี้หรือเห็นพระทุกตาของจริงพระทุกตาประมุที่รรโตรมจนยอดและอดน้อยอถถน้อยลองดูสายพระเนตรเต็มด้วยความเลือดตาเต็มด้วยความต้องการให้เราไ ม, ม้เห็นความสุก สุดท wow. ้ายข้าพเจ้าใจของเรารับได้เราจึงจะพักสุดเวลานี้เราได้อยู่ใ้พระนานี่เราสงบจิตข้าเราเริ่มตั้งใันทีจิตข้าราเร่งจสิ่งที่เรากำลังกาหนดใจว่าเรากลังอยู law, en the mind, erm in zeit, time, ่ใกล้พระพุทธเจ้าเรากำลังเข้าใกล้พระองค์เวลานี้เราอยู่ใกล้แค่จะถึงวัพระบาทของพระองค์นะเราได้เห็นพระพัตรขพระจ้าสวัสดิ์ดยโสภาค ทักเปียิ่ขึ้นเพราะทักในี้ตก็ะสือสิ่งที่เป็นใจที่จป็งสบายให้เราดูเห็นถึงป่าในตาของเราเราเหืนว่าพรทักของพระพุทธเจ้า้ะอินได้เวลาพานไม่ไมสไสเอสดใสขอะอบยานน้อยๆเหมอนพรจะเอารหัสกระโรมาเลเซสยากเราดูก็บอกกันรครัะ ปฏิบัติตามพ่อเนี่ยจะได้มีความฝึก่างพ่อล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเับ่ามี่ใกล้ๆพ่อต้องเล้ยงถนัดมือจิตใจมารเลีายโลูกจิตใจอราจ้ความเป็นด็กด้วยความตัดนาเมื่อเราได้ด้วยมือพี่เพื่อนที่เล็กก็เลี้ยงเติบด้วความชุดเติวโตของพ่อทราบามรู้กของลกนั้น้าตัดใจนะ พ่อเคยพูดงเจ้ามาก่อนใจของพรงะองค์จะจงจัดสิ่ใหเราได้ยินได้ฟังภายในซึ่งเรารู้ได้จาพาพตัวเราฉะนั้นว่าแต่สามั น, นวญญความให้ตาทุ่ตรงตรงถึงว่าลูกพระทุกที่โลกกลางกดดันม่นีฉันจะทาให้โกตั้งเจ็บวานามากมายจนใดก็ตาม แต่มันก็จะเป็นทำมังเป็นการเรชีวิตทำใหอเรานี้ละจากส่งนี like ้่เราเด่นไม่อยากเสียใจนู่นทุกอย่างนีไม่เพ่จะเป็นโทษนะนู่นนะมันเป็นคนแต่รูปถ้าเราจะท่าย้ะกับอารณ์เราก็จะกลับเป็นผู้ชนะเมื่อเราให้าใจว่านี่คือทุกนี่คสอเปียนทุกข์ให้เรานิยมกับทุก เราดึงความสุขเวลาที่เาดงกระแสใจข อ, องเรงากล่าวที่องค์พระพุทานาสอนคจะด้วยใจสิ่งที่มีความสุขจะพบมาโดใจรบบ เ, เร า, เ ร, เ, าเรารับได้ที่ตัวเราดเอมันเป็นปฏิปไตรู้ได้เฉพาตัวเราคนนั้รเท่านั้นคนอื่นจะมารู้ว่าเรากำลรู้สึกอะไรได้ยากมันจะเขาถามเราแต่ณเวลานี้ทุกคนกำลรงดูใจอยู่ใชมวัตถุภายนอกที่เราเห็น ให้เพ BER really well. like hmm? ื่อพระผู้จ่าแท้จริงแต่จริงพะเจ้ากล้จ่จริงๆคือคนไทยคามเดิยที่เป็นเหนึ่งมากมายเสียแล้เตมณประทาจนด้วยความอดตาที่หยุดเจี๊ยบให้กันมาไ่เคยขาดสายณาสมุทรยังมีวันเหือดแห้งเพียงใแต่ณป้ะเทศไทยก็องค์เจ้าพระจอมไตรบรรณาสาบสบายยังมีวันเหือดแห้งไปเลยมันเป็นตัวเราเป็นผู้สัาผัส อีกองอยู่ได้ขณะทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกโดยทาใจของเธออย่างีเล็กน้ยนี่คือสิ่งแรกที่เธอต้องปฏิบัติในเรื่องขอนายุกชิต้องทำใจของเธให้ เ, ใข เ, เข้าถึงให้ได้โดยต้องเข้าถึงพระให้ได้ก่อนเมื่เราได้ถึงใจผู้สอนที่ตั้ ง, งมือต่อเราเรามีกามรักใคร่พระเา อ, อะไร เพราะว่าพระ อ, อ ง, งค์ทรงาำให้เราพ้นทุกทุกของเราย่งนั้นจะขช่วยได้ไม่มช่ใครชีดทำว่าไปทำลูกเดินตามพ่อมาเนรุกแล้ลูกจะมีความสุขเหมือนพ่ออย่าเดินตามทางตื่นนะลูกนะอย่าเดินตามทางที่คนอื่นขเขาหลงเงินเมาเห็นว่าร่างกายไม่เป็นของดีเดือดรลอกร่างกายของเราเป็ น, ป น, ปนยังไง นั่นให้สารกัตถุไถาห่อขี้ถ้าไม่โดยเจ้าในตอนนี้หรอกนะถ้าดูที่ใจของเจ้าใจของเจ้าที่มีความรักในความกตัยู่รู้คนณต่ท่านผู้มีพระคุณมอความรักแาะศัทธาต่ครูบาอาจารย์ใจของเจ้าตั้งใจเอาดีอยากเป็นคนดีอยากปฏิบัติธรรมจนไม่เ้็นสักทุกข์ข้อต้า เขาก็ต้องการให้เจ้าพ้นจากคามทุกข์เหมือนกันที่สำหรับคนที่าราเป็นหันบ า, า, า, า, า, ารมีศาสตร์ประดาครักอุณาบุญนาคของเทวีเป็นที่เราพูดอย่งนี้เป็นหนึ่งในเดือ น, นที่เราถ่าที่พระพุทธเจ้ากจากับคนใดคนหนึ่งให้ใจของเรารู้สึกว่าชีวิตของเรา ผู้เป็นเราเป็นขาการรู้สึกพ้เปิดเาพระธรรมและพระอรยสงฆ์เป็ น, ปนรน้ อ, าอา ย, อย น, น้องที่จะทาให้เราได้ตาบแานพระคุณาาชุดองค์ทรงหยิบยื่นให้แต่ลำได้เราจะทํเขาหลายชีวิตดังที่เราเปิดวาจาว่าอินาหังพัค า, าวาอั ต, ตาพาวังเป็นหากังใจจัานน้เราขอยอมมอกายถวายชีวิต อ, องค์พระพุทธศาสนาพระพุทเจ้าที่เรากําลังทำแล้วทำให้ใจเราฟังเชื่องมั่นว่าทั้งชีวิตใจิตใจที่เราพบเดียนี้ ไ, นไม่มีใครเราที่จะรู้ยกขนใจหลายคนจากทกภัยไปได้หากพกระพุทธเจ้าไม่สั่งสลาความสุขของพระองค์โดยสั่งสล่ชีวิตจไมีสลาเจ็นกันตามมากมายรสชาติโดยทั่ว พเพียง เ, เพื่อจะค้นพบผลทางแห่งการปฏิบัติเพื่อจัต้นครบกันแล้วเรานี่จะเอาอะไรเราจะได้จักทิ่ไหนตัวเราแล้วไม่มีกาลังใจย่งพระองหรอกเราคงไม่มีโอกาสเพื่อผลเพื่อเกิดพานจากความคุกข์ทุกข์เลยคงคนต้องเรีด้ไปใจเกิดอีกยาวนานแค่ไหนก็วังไม่ทราบแตนี่พระพุทธ เ, จ, เนนะจ้าทรงสละกึ่งความศึกด้วยความเพียงอันกล้า อดรนด้ว่าอุตส่าห์หนันอย่างจนยังจนหน่่ยหาบุคคนใดเสนออย่างได้โดยยากจริงที่หลวงพาเราจะมีค่าด้วยนะเป็นการอบรมนะชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยนิดทนจิตนิดไม่รุกติดไม่นานรักหนาน จิตวิญยาณของเจ้าก็จะออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างกายนี้ก็จะไม่มีประโยชอะไรกบเ้ า, เ า, เาแล้วม่มีใครสนใจร่างกายของเจ้าอีกต่อไปคว า, ปออปามจริงไม่รู้ถ้ารอเจ้าเจ้าคง่างตายแมานี่ พยายามรักษาใจของเจ้าเป็นคนดีนะลูกคนดีก็ควรเป็น ใ, นใจเมตตาทุกเดชเพื่อนร่วมเกิดเจ็บตายของลูกมีใครบ้างที่มีความสุขต่อหนา้าอิจฉาทุกคนหาคามาสุขส่งที่คงที่ก็ไ ม, ม่ได้สุดทัายเดียว พอใจเดีวเดีได้ยังใจเดียวเดียวเดีวก็กลับมาเสียใจทุกข์ใจแล้วก็ทรมานากากร่างกายลตลัดเวลาลูกเป็นเด็กเพื่อนลเอล่กิดเกเกตายของุ้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเป็นคุณพ่อของลูกเป็นคุณแม่ของลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเปภรรยาลูเป็ น, าานเนดกคนเที่ยงร่ิงของลูกก็ตามเถ คนเล่านี้ก็มีลุกเหมือนกับลูกทั้งหมดร่างกายของเขาก็ล้นแล้ปจะหยุดไม่นานนักเ น, นาจิตวิญญาณของเขาก็จะบจากร่างเหมือนกันทอนิด น, นลกเราจะจะได้พ้นจากร่างกายนี้ไปแล้วถ้ามันไม่อยู่ไม่นานแล้วเราไม่ ใ, ใจเข้าอาจจะไม่ทไหนจะจออกก็ได้นะลูกนะและห้าใจอ อ, อกยังไม่จำจะเข้าก็ได้ จิตยืของรูปกระจัดาักร่างนี้ไปเมืไหร่ก็ได้เสมอจันไม่ ส, สาคัญเท่าว่าใจของเจ้าจะจดใจต่อปัจจุบันนอดูนะจิตใจต้งสิใจต้าสานี้เสือใจรู้ที่เป็นหนหึ I uh know. -huh. <laughs> เป็นที่อาศัยที่วารังเกียจที่สุดเป็นที่อาศัยที่สร้างทุกข์ให้แก่เราบ้างที่สุดยม่ใช่ใครไม่ใมีใครทำให้มาเป็นทุกข์นลูกร่างกายของเจ้ามันี่ยทําให้เาเป็นทุกข์ร่างกายของทุกคนก็ไม่ค้เยทุกคนเป็นทุกข์เมื่อทุก อยู่กับทุกด้วยกันตามเ่อนวายมันก็ไม่เกิดอยู่ใ น, นลูกถ้าใจทุกคนเป็นสึกความเ่อนวายไม่จะเกิดนี้กับโลกไม่ไดเหรอกตอนนี้ขาทุกคนเขามีทุกเหมือนกันเขาทุกข์กับร่างกายที่เขาเหนื่อีาพยายามทำทุกอย่างก็ก็ให้ได้มนาะจึงต้องกับทบกระทั่งต่อโลก ที่เาอยากจะกระกระทั่งนั้ระทั่งเลยเห็นและกรั่งจะด้ยินให้ทราบถึงรานั้นพ่ตาธนาจะพบเรานี้่อาลูกานมกล เราเห็นพระนี้เห็นพระเราเห็นพระด้ชัดเจนมากผลเป็นตุกข์กำลังใจชื้นชืนใจเราวัดกันที่ใจของเรามันชื่อชื้นใจมันดีใจเราไม่ได้เห็นเป็นภาพอะไรก็ได้แต่เราทำรู้สึกที่มันชื้นชื้นใจแล้วอิ่ใจอยู่ภายใน แต่เรานมไม่ได้เป็นคนเปล่าเล้าเปลยเราย่ี้คิดขึ้นเราังมีพระพุทธเวกาผู้เป็นพระบิดาของเราผูเป็นพ่อของเราผู้ทรงเมตตาอันหาประมาณได้ต่เราอย่างเหนื่อยล้าไม่ว่าเราจะโยนที่ไหน พ, พระก็ติการเราตลอดไม่ว่าเราจะทุคข์เพียงใด พระพุทจ้าไม่เคยห่าจากไหนมาเลยจนมองหเห็นเราอยู่เสมอจนพระพุทธประสงค์ประการห้าเรานั้นเดินม า, ามที่เสน้นทางที่เป็นศุกเสมอแต่เราม่เพระองค์ไหนในขณะที่พระพุทจเจ้าของเราอยู่กันน้นตลอดเาแต่เราเห็นพระพุทธจ้าอยู่กล้ตัวของเราหรือไม่นี่คือข้อวัตรปฏิบัติ ในยินโอวิชิคของเราจ่งต้องทำให้ได้แต่นั้ น, นะดึงใจของตนถิงใจพระให้ได้ก่านเป็นอันดับแรกเราจะประกาศเป็นข้อสั่งที่ว่านับต่บัดนี้นเป็นก้นไใจิึงที่ขาบทข้อใดๆข้าพุทธเจ้าจะกรททำยิ่งชีว เพราะว่าพระพุทธเจ้าทำยุ่งปัญหาอีกนะชีวิตของพระองค์ทำแล้วครน้างเสียสลับน้าย <c oughs> ไม่เกินต้องไปต่างเลือกไปจับในสินทางพระองค์ก็ต้างทาก็ต้องเสียนเงินเสียชีวิตของพระองค์เพื่อให้สะดกคนละตัดที่ไหนพระองค์ก็ทำมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าไม่ทำบ้างที่มนุษคนธรรดาไม่สามารถกระทำได้อย่างพระพุทธองค์กระทำเพื่ออะไร เพื่อจะเล่าหาสิ่งที่พาพวกเราและนั่นจะเราเองท้นด้วยการเกิดแก่เจ็บตายในเมื่อสิ่งที่ทพระเจ้างพยายามกระทนและพบแล้งบอกลูกขน้างใจรักษาจงหน้ากรรมเด็ดจุดนี้ครบในลูกเราจะประกาศตัวได้ไหมว่าเราจะทํายลานี้ เราจะรักษาสิ่งให้ทันองเดิมไม่ย่ำตายสิ่งที่ความให้สขาดจะดั่นไปเราจะพยาาให้เราตกเป็นธาสแห่งใจที่ยังคงได้ดวความผกพยาบาทสัมคาตเรุ่ใจที่ลึกขนองทำนมำชีวิตของคนเอนขาดึ่งความน ต, ตาตานี้เราจะไม่ไปเลนวายที่จะทำให้ใจของครด้หวั่ร้อนการพดราจาของเราเป็นให้กระันทันใเราจะไม่ทำล ให้แต่ร่างกายของเรานั้นเป็นทีนไ่ารับเป็นบุคคลที่ขาดเส้นสติสัมปทาญยะโดยเราะโหดร้ายโหวยใจเราพูดติดในสติเราจะไม่ทำาปรนเด็ดขาดโดยจิ่พ่อของนองทำยิ่งกว่าเราจิเราคพีงแค่นี้ทำได้ไดมอดทนใจใจตนเองทำไม่ได้พระพิทธเจ้าไม่เพียงแค่อดทนตอ พระไทยขอพระองค์อย่างเดียวยังต้องอดทนต่องใจรุจ่ยใจของคนอื่นมากมายที่พยายามจะเชี่ยวให้พระองค์นต้องทำสิององำ่งนั้ต้องยายามทำสิ่งนั้หรือต้องคับคันจิตใจก็ได้ด้า ง, างเพื่อให้พระองค์นั้นต้องกดทนเสียสละละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้จบได้เรายัางไม่ถกเบิดขันจิตใจิึงขนาดพระองค์เลยเบี่ยงเชี่ยว้นก็ยังไม่ถึงขั้ น, น เ, เ, เพีเย ง, งคแค่รูกร้ก็มาเบิดขันจิตใจเรา ให้เมตตตั้งบันญัตเจ้าจนต้องเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติอย่าละเมิดสิทธหน้ากรริสุทธิเป็นเก็ขาดจะเมตตาเกลื่รับับไว้ไม่เอาไว้ตลอดเวลาว่าองคุพัสสาวจะเน่าแต่เจตเจ้าเหนื่อยยากแค่ไหนเพียงเราเหนอยเพีแค่นี้ไม่ได้แบกไม่ได้หามและไม่ได้สลักอะไรไม่ไ้เสียมเนื้อเสียมเลือเสียมเนื้อสลักเลือดสลักเนื้อให้ใครเป็นหาง เราบริจาครบริจาคหลานบริจาคเงินใ the e ้กับใครสิ่งทนบริจาคทัพย์สนมากมายเพื่อใครไม่มีความสุขเป็นทานเราเพียงแค่ความใส่คเราและตั้งใจที่แต่ี้สิ่งที่เรยกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจตนและกับคนอื่นด้ยการไม่เบียดเบียนจากใครเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าตัสว่าอาบายโยพรมีฤไม่ตายไหรือเล่าฤทธิ์ไมอบายโยพะ โลกคนบางคนที่เรียกว่าจ้า้นจะอาบาจาย์คนนะแต่ต้องการให้โลกค้นหนังขาวอมไม่ใช่นชวคราวชัขณนะโลกต้องเข้าใจธรรมมากขึ้นนะลกตั้งใจปะพฤตปฏิบัติทพิจารณาให้เห็นว่าทุกในการเป็นมนุษย์ทุกข์ไมยพอใจความทุกข์น หากประองค์าถามาอย่างนี้เราต้องตอบว่าอย่างไรเราหน่ายเป็นทนเราดชี่ิตยากเราทุกทุกยุ่ยทุกวันเราไม่เคยอะไรที่จะเป็นตกทให้เราสบายใจแนมะ้สักน้อยก็นนยากจนทีมงความทุกคอยทับทนเราน า, ามากขึ้นมากขึ้นหากพระองจะถามเราว่าทุกข์คอยเจเป็นไรอีกไหม เราสงตอบพระพุทธเจ้าเราเป็นปากเป็นคำในเวลานี้ว่าได้ฟังสาแล้วพระพุทธเจเนานน้าคะพ ร, ะพราพรคุณรยัดพระวหนะเพระต้องกล่าวว่าสาธุดูนะาลูกลูกจะได้ไม่ต้องไทุกอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษไใหม่ เราต้องไปจังกับวิบากกรรมต่อล้วต้องอกกรังเจบคนนุคคลมากมายที่พยายพยายเกียรตรให้เจ้าในแตามทุกขเวทนาบางสกวนน้อยที่เจจะคืนหาได้ก็เป็นของปอมๆทั้งสิ้นเพา อ, อยากให้เ้าเดินมาก่อด้วยนี้ในเรื่องที่ปัจจุบันบ การเี็นรูปเป็นบริเวสุดเป็นที่เดียวที่ไม่มีใครที่จะต้องพักผ้าออกจากกันตลอดไปทุกคนไม่ว่าเป็นใครมาเลิกกันก่อนนอากเป็นที่สุดกี่จะตดดรวมกันที่นั่นจะอยู่กันที่ในที่ที่เดียวกันใครเคยเป็นพ่อเป็นม่ก็จะอยู่กันที่นั่นใครเคยเป็นเชื่อรากนในฐานะอะไรมากรเป็นมนุษย์ก็จะรวมกันอยู่ที่นั่นทุกคนก็ระอยที่นั่นหมนกันม ได้พบโด้เห็นไม่ไมีการสุขอยู่ด้วยกันตลอดการตลาดสมัยไม่มีคาว่าพัะเจ้าจากการอีกต่อไปที่นั่นแหละเปรียบเทียผ่านวันนี้จ้าอาจจะยังไม่เห็นชัดจากดังหนึ่ง เมาร่างการไม่พังเจ้าก็จะเห็นพ่อชัดเจนพ่อจะมารักเจ้าไปหากเจ้าต้องการพ่อพ่อก็จะรักเจ้าไปู่ด้วย เรามีแค่ขายทอาเป็นความรู้สึกของใจถ้าเป็นด้วยความรู้ก ต, ตั้งใจคิดว่าการที่เราเหตุผลพระพุะพทธเจ้าเขาไม่างไใจจึงจะจับจิตจับใจเข้าไปใส่ใจตนดันั้นความรู้กเห็นพระทเจ้าโดยทุกเมื่อไม่ตะลึงตาไม่ว่าหลักกา ในที่เรายกงระพฤติปฏิบัติทำอยู่เราก็เกิดพระพฤติจ้างประุฤตขันละทุกขันหาใจเข้าออกเมื่อในที่เรหยุดประพฤติจ้างจะไม่มีส่งใดเข้ามาทำงน้จะอักขันลกรรมทั้งหลายก็ไม er ่มีกัางานที่จะเข้ามาทาลายใจและกายของเราให้เป็นโทษและเป็นภัยต่อตนเองได้ขณะจิตใดเวลาใดก uh ็ตามท oh ี่เทเรสไม่ถึงเรวดาเนืของพระพุทธองค์ เป็นพระพุทเจ้าัดใจอยู่ภายในเดินตาก็เห็นพระพุทธเจ้าชึ่นชึ่งใจเสมอหลักตาก็เห็นหรพระพุทธเจคาชื่นชึ่นใจเสมอและพร้อมจะตั้งใจภาวนาณมพระพร ะ, พะแต่มไม่ได้ก็จะเป็นทางทำให้ทุกคนสามารถจะเกิดอารมณ์ควางเป็นทุกข์ทใจมันจะเป็นทุก เห็นได้รู้ได้เหมือนตาเห็นจตใจมันจะบอกเราเหมือนกระตาเราเห็นหนึ่งดังนั้นเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเราหนมาในการกล่องรู้ทั้งอดุรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ถึงใจของคนเขาคิดอย่างไรเขาได้กิดอย่างไรรู้ถึงบุคคกรรมคือกรรมที่เราเขาทำมาหรือเขาทำกรรมอะไรมาในอดีต การรู้เหล่านี้เป็นของไม่ยากในการฝึกใจแต่จึงที่ยากที่สุดที่เธอต้องทําเธอต้องทํำใจของเธอให้ถ้ ง, งพระอย่างนีน้ได้ก่อนเป็นอนันหลักแากก่อนที่เธจะปฏิบัติด้วยกำลังของอารมณ์บุญชีเพื่อผลในการเข้าถึงความเป็นตัวริงอย่างแจจ้งถ้าใจของเราเห็นพระเหมืนอนกระดาษเห็นพระเหมือนกระปุนเหมือนติดผนังตาย งเธอจะเห็นภาพนั้นสวยงามสว่างไสวเธอก็ไม่ถึงใจพระเธอก็จะม่ได้รับในสิ่งที่เป็นความจริงเธอก็จะเห็นสต่สิ่งที่เป็นของปลองๆพราที่เธอเห็นก็ไม่ใช่ประพุทธเจาเพราะพระพทธเจ้านั้นรากาเป็นเดือนก่าร้อยเดือนกับเราไม่รังคัดทบแต่สารุสสึกใจว่า งงมันเย็นเย่นมันเยนก็เป็นตาของเรามันอุปน็นตาจิตเพียงแค่เราจ ะ, ขะเข้าไปเข้าล้เราจะมาเล็มเล็มถึงท่านและเข้าไปจะเข้าไปใกล้พะวงยิ่งเข้าใกล้เท่าไรแล้วจิตกำลังจิตมันสงบและเป็ น, น, จ, ป จ, ปนจิตจอย่างไม่ต้องทำอะไรภาวน า, า, วน า, า ก, ก็มาทำภาวนาพิจารณาก็มาทำพิจารณามันสงบแล้ก็เป็นจิตได้ทันที เมื่อขนาดสิดนัเวลานั้นของเถิดละตั้งใจนี้เราและภาวนาละละพาท้าของเถิไปเร่อยไปดรื่อยถ้าตปจิตกล่ที่ตั้งใจที่อยากจะขอความไม่ตาตามีจากพระพรขอได้ไหสิ่งนั้นเถิดคอได้เห็นนาโลขาได้เห็นสรวขอได้เห็นคนที่ข์างที่ตาเมือเขาไปเกิดที่ไหนตายเมื่อไปอยู่ที่ไหนตอนน้นเไปเป็นอ่างไรทุกทุกอย่างเ้าได้จปเห็นตัวตาสิาน แล้วเราจะกำหนดใจในสิ่งทน่ไมชัดคาว่าชัดใ จ, จใ จ, จ, ใ จ, จ, ใ จ, จใมันจับใจนะไม่ภา้พาไปชัดเจนสวัางเกิดจากอะไรเรการสมาธิเพอดีก็เห็นได้นันโดยหนังโดยทาพะครับแต่เรื่องต้นเรจะเอาพยานนึ้เอาแค่จิตของเราในการจับใจพระไมกชัดแล้วจะไกทราบเใจของหรายันเด่นมัสุขอิ่ใจบอกไม่ถูกเราจะรู้สึกว่าเราดีใจ มันเป็นการดูใจของจิตที่ได้เ MM ข้าจิตองค์พรัธรราสาน่แล้วเราก็ภาวนานามาพัฒนาไปเร่อปล่อยใจสบานกําหนดรู้เรื่อปยเข้ากั้นหน้าละในรื่องออกกพัฒรู้นะไม่จังบังคับปล่อยตามสบายปล่อยไเรเพืเพไปเรื่อยรือยนี่ดยจังหวะพอดีที่สมาธิถึงจุดดีตักภาพที่จอป่าธมาปบก็จะปรากฏชัดเจนจังใสแล้วก็โดนคิว เธอก็สามารถจะถามตอได้โดยต่อะได้ถ้าจิตของเธอเริ่มตกเธอก็จําเกตใจของเธอมันหนักแล้วีนทามกาลังใจมันหนักนะถ้าหนักั๊บเอาไปเรีนใจต้องละพัหน่อทำใจมันต้อเงียบเบกลับลงไปจ้าจ้ามันในส่อนเราไม่อ่อนโยนเธอจะไม่อ่อยนแล้วก็เย็นสงบแ้วเราก็ภาวนารมาตุนี้ไปหน่อยเล่นไปทำมาซักซองน สักตะอย่นี้ล่ะแล้วใจของเาเข้าที่ดีเรก็กาหนดใจขอบารมีพระพุทธเจ้าขอได้ไปเห็นตรงนั้นเหนเรื่อนี้แล้วก็วางใจลงใจแล้วต่างๆนึกถึงจับใจพระท่านหนึ่งแล้วพระ่าสออะไรเราพระพุทธเจ้าาการให้เราปฏิบัติอย่างไรจะได้อยู่กับพระพุทธอค์แล้วก็ทบทวนใจขนงาไปฏิจมันเพื่อควสบายแล้วก็ใหมมันมั่นเนาะพระนึกถึงระที่จิตใจชุ่นชื่น ภาวนาไปเรื่อยๆเพอาะฉะน้สมาธิมันคือภาพคืออุปจารสมาี่ภาพนั้นจะปรากฏตรงนี้ถ้าเกินใจจังไสมากเราทำอะไรไปคตามขั้งใจมันจะตกขึ้นเรวขึ้นโร็ขึ้นเร็ขึ้นเมื่เห็นตกจะต่องสังเกตนี้ภาพภาที่เราเห็นเราจะต้องตัดใจจังไงนะ าภาพภาพพระที่เราเห็นจะให้จัใจเราอย่าใช้ในการรู้เห็นอะไรอย่าถามอะไรนิสัยค น, นจะต้องถูกขางนอกเขาเรียกอุปทานเป็นใจเทแต่ถ้าใจของคนไม่สามารถเอาใจของนเข้าถึงใจของรักได้อุปทานไม่มีทางเปนใ จ, จได้เลยขอยืนยันว่าไม่มีทางเป็นใจได้ เราเข้าใจไหมนี่คือการปฏริบัติเบื้อนต้นนะคนเก่าก็เป็นทำแบบนี้คนใหม่ก็เป็งทเช่นนี้ทำให้ใจเรานี้เข้าถึงช้าให้ได้นะอย่ามองเปีงแค่ไพ่าเมากนะีา้แล้วเราจับภาพนุษได้เห็นได้ชัดเจนยังยังห่างไม่เก้วนะยังห่างจากการใช้กำลังของจิตจักรยาณมากนะโดยเฉพาะพ่อโนนะุมนลุกพี่กิเลสอท่นนทอาทนเนสอนเรา ยังห่างเยอะนะแต่ดดถ้ามีสมาธิดีก็ไม่ใช่ว่าผลจะพันไปไหนทุกที่ไ้ก็ยังห่างอีกไกล น, นะเราต้องทำใจอย่างที่ภาคต่องสอนใจแบบนี้ทาให้ใจของคุเข้าสู่ภาพให้ได้อินใจดีใจชื่นใจเพื่เกิดคามตื่นเต้นในใจของคุณให้ได้อย่างนั้นเราจะรับใจมันตรงใจมัสบายคิดกินใจมันจะโปร่งสบาย เป็เราให้ถึงใจพระส่าจารย์จะโร่งสบายใได้แล้วเข้าภาวนาณัฐนะพระพักตาจรที่เรไม่ใจเขาออกเบาๆไม่ต้องเตืังคับใจเลรู้วาเรนิยเข้ากับณัฐนะเรานิยมออกพระพัไปเรื่อยๆน่าภาคืนวัชการพระพุทธเจ้าพระพักตร์คือทุกข์เพื่อรู้เพื่อเตมเพ้่กตายนึกนัดใส่เรื่องจนะครั หรือจะเป็นการตกค่าที่ตัวก็ใช้ได้เหมือนกันแต่นั่นมันเป็นเรื่องของสมาธิแต่ที่มีความสาคัญที่ต้องให้ตัวทาให้ได้ทำใจของตัวให้ถึงใจของพระให้ได้เป็นอันดับแรกและเราดวงตาหลับตาแวววันจะสามสารถจะรู้เห็นต่างๆได้ไม่ว่าใครคว่ากระทบใจใครไม่ว่าใรเขาิดอะไรจไม่มีมันจะเรื่องง่ายมากเจตวปฏิบัติยันดูใจคนจริง ง, ง่ายว่าการฝึกอย่ดีวไม่จไป เขาสามารถจะฝึกใจของเธอเข้าหาใจของผู้ที่เราผูตการเข้าหาแล้วเข้าใจในใจจนใจของท่านได้แล้วก็เรื่งอ่อนเรื่องเล้วแต่ไม่ว่าเทวดาเขโดดใจเธอเขาไม่ดูไอ้ผู้นั้นหอกขี่แบบนี้เขามองเทวดาก็จิงแต่ที่ว่าลักษณะของเทวาก็จริงเฉินดำดำเสื้อกระดานเสร็จเขาเห็นแ้วก็ไม่พิจารณาสว่างไม่สว่างดำขาวรเห็น ตอนนี้จะเป็นมนุษย์เป็นเจ้าดามัาเป็นคนหรือเป็นสัตว์นรกเขาก็เห็นเขาจะไหว่าเเหรืเอไหวเถืจะยินดูกับเถอนหรือไม่ยิงดูกระเถอนเขาก็ดูที่ใจของเธอไม่โ ด, ดยที่ร่างกายของเธอถัไดไเวลาเราดูรูปพระจนดูให้ถึ ง, งที่เขาดูเราอย่าดูเป็นแค่ตัวไทยนะหัวนี้เราถึงมไหมเห็นภาพพระไหมภาพพระเปลี่ยนไมพระเปลี่ยนจงใจหรือไห นั่นเป็นหลักของการทงส ม, มาธิธรรมดารรม า, าใช่วิชาเมโลมายจิตถ้าเป็นวิชามานลมายจิตพุทธา น, นุสติสมาธมต้องเป็นทาหลักแรกที่เธอต้องเข้าถึงก่อนไม่ได้ถ้าเธอยังไม่สามารถเข้าถึงพุทธา น, นุสติรมาธานได้เธอไม่สามารถเึกิมลมายจิตตามแบบที่ประเด็จครูหลวงอทส แล้วมันจะเป็นเสียงกับเทลงข่าภาพงาเพราะจะไม่สามารถจะทำสิ่งนี้เกิดผลเพราะอะไรเพราะสมาธิมีเธลงเขาหลอกมีเพรยะจากภาพภาพแบบนี้เขาหลอกโทสบายเขาสามารถจะทำให้จริงพระพุทธเจ้าทักษะว่างเทวเป็นประกาศผูดเขาก็ทาได้แต่จะให้สามารถจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งให้เธอเห็นนี่จริงหรือว่าไม่จริงถ้าเธอปิดเพียงรูปเธอกจะตกตั้เท้าไร ถ้าใ่แล้วตุกค่อถามตุกขาตอบตอบตอบไปจะทำว่าเสร็จเป็นหลอกเป็นต็ม เ, เ, เพราะว่ามันหนังกระดาษเป็นกระดาษที่มันใสเป็นแก้วให้มันเองมันไม่เห็นชีนวิติตใจต่างกับเราเอาใจเราเข้าถึงใจท่านเราให้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเสาารส็จจะเป็นเรื่องายนอกเสร็จไหมนั่นไะม่ใช่พระพุทธองค์เพราะที่นคือจิตดนม ที่เราสามารถเขา้าถึงใจของพู้ที่เปนน็นเรื่องคามสะาประณามไม่ได้พู้่วยยิ่งล้อสัพพโยพยานที่สามารถจะช่วเราให้พ้นจากทุกได้อย่างงา่ายดายนะจะทำกันตรงนี้นะเดือหน้าถึงเวลาทีจะจะมาสอบเขาอีกทีคำว่าสอบก็หมายควาว่าันองได้ว่าเขาทาได้จริงหรือเปล่าถ้าจะทำ ง, ทงั้นละก็จะพูดแา่นี้ เป็นเป็นไม่ก้าวทำต่อต่อไปเพราะ ต, ต้องการให้ได้ผลเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติจักแต่ว่าทำลงไปวิชาความรู้อยู่ใหยรู้แต่ต้องการให้ได้ไม่ใช่ให้แค่รู้ต้องทำม า, าร้ความยากลำบากของวิชาบนวิจิตหมือนกั น, นแต่จะได้มาจาิันไหน ย, ยากเป็นสนใจนะคุณรู้คุณค่าแ่าคุณมมลหลวงพ่อเขาเพิ่งจะสอนมาลำบากแค่ไหน การที่เธอทำเป็นเพื่อพ่าหรือะนันงานเพื่อพ่ะเป็นข้าพาขาพน้าเธอจะเลิกงานเป็นาิสัยฉัมเป็นของไม่มีค่ามันเท่ากับว่าเธอการปลามาเพราะผุ้เปเจ้าปามาคุณอาจารย์ท่เแบบเธอไม่ิดแต่ว่า <aning sala am> <mor> <But>, หากเธอทาเข้าไปอย่งนี้กนผู้้เขาถว่าเตุปลาม เห็นในการปฏิบัติต้องถือสิ่งนี้นเป็นสําคัญก่อนเป็นอารักรกนะเวลาก็เอ า, อเาอความเหมาะสมควรนะประเดินเรื่องงานเป็นไปเป็นนี่นะพอจำได้นะเนะีเอาไปปฏิบัติตรงก่อนลืมตาหลับตาทาําไรไม่ใช่อเอาเฉพาะเวลาหลับตานั่งเรียนรูนอนทําไรทั้งหันทำไปเรื่อยๆดูที่เราจะสามารถจะกฏิบัติใจพท่ได้ไหม เอ่งที่เราทำได้นล่เราจะาจื่ใจเราถึงจะทาได้ไหมลองทำดูสถ้าเรายังทาไม่ได้เราคงปลุกมาในทิตเขาไม่ได้เอาดูไม่ได้มาจุดจุดระลึกโ ล, ก, ลกแล้วก็ได้เราเพื่อขาบเชมก็ได้เห็นได้หรนไม่เห็นได้เห็นได้แค่ตอนนั้นน่ยที่ครูเขาจุดก็เพราะว่าภาพที่ส่เาพอไ